ธ ok รรมชาดกแผ่นที่หกลำดับที ι, ่แปดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่4มกราคม2544มีชื่อเรื่องว่าอัชาติสัตรูรู้ตัวเมื่อสาย อนจะดำลงส่งพระศาสนามาถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีนะั้นไม่ใช่ของงอ่ายๆนะแต่ใหม่ๆกับเหมือนกับพวกเราเราท่านๆบวชใหม่ก็ต้องล้มลุกพุกคานเชื่อบางไม่เชื่อบางได้บางไม่ได้บางดีบ้างไม่ดีบ้างแต่อย่าให้มันเสียถึกเลยทีเดียวถ้าว่าเสียเลยทีเดียวนั้นใช้ไม่ได้เสียเลยทีเดียวก็เหมือนกับต้องอบัตหนะักถ้าเป็นพระกับปราชิกสี่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 ให้นายคำังธนูผู้แม่นธนูของพระเจ้าสาร้างศัตรูไปยิงพระพุทธเจ้าก็ไม่สําเร็จปล่อยช้างนาลาคิลินจะให้ฆ่าพระพุทธเจ้าช้างนาคิรินก็มาหมอบโดยพระเมตตาพระพุทธเจ้าฆ่าไม่ได้ผลที่สุดเทวทัตก็ขึ้นบนภูเขากลิ้งก้อนเห็นลงมาเพื่อจะทัพพระพุทธเจ้า จะทําให้สะเก็ดหินสะเก็ดหินที่มันแตกกระทบกันมันกระเด็นมาถูกเท้าพระพระทุทธเจ้ายังพลโลหิตให้ห่อว่างั้นแ่ะจะทําให้พระเทวทัตเนี่ยเห็นไหมไม่เจ็บมากก็เจ็บน้อยถึงจะก้อนหินไม่ทับก็ยังถือสะเก็ดหินอยู่เทวทัตก็ได้ใจ อ, อันนี้จะต่อมาพระเทวทัตแผ่นดินสุขพระยังสังฆเภศยังสรงให้แตกกันยุโยง สงฆ์บวชใหม่เข้ามากัดยุโยงให้สงฆ์แตกจากพระพุทธเจ้าไปแยกตัวออกไปจากพระพุทธเจ้าแต่นั้นพระโมกขลาภาษาริบุตรก็ไปเทศพระใหม่เหล่านั้นให้รู้จักคุณงามความดีนั่นคืออะไรรู้จักดีรู้จักชั่วพระสงฆ์เหล่านั้นก็กลับใจมาเป็นพักพวกภาษาริบุตรพระโมกขลาเข้ามากราพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็เสียอกเสียใจเเสเลยป่วย อาเจียนเป็นเลือดลากเลือดว่างั้นเถอะอาเจียนเป็นเลือดออกมาป่วยกระทันหันเพราะเสียทายอย่างมากเสียใจอย่างมากจะมากราบพระพุทธเจ้าก่อนที่พระเทวทัตจะไปจากพระพุทธเจ้าตอนแยกสงฆ์ให้แตกกันบอกว่าเราจะไม่ร่วมสังฆกรรมเราจะไม่มาหาพระพุทธเจ้าอีกเราจะไม่เคารพพระพุทธเจ้าอีก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 พพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเขาจะไม่เห็นเรา เ, เขาจะไม่เห็นหน้าตถาคตเทวทัตจะไม่เห็นหน้าเราอีกต่อไปแต่นี้พอเทวทัตป่วยหนักเข้ามาก็ให้พระสงฆ์หามตัวเองมาแล้วเดินไม่ได้แล้วหามมากราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์บอกว่าที่พาไปยังไงเ อ, อสมัยเมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่จะฆ่าพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าอีกครั้งพอป่วยเข้ามาแล้วจะสำนึกโทษได้เหรือ เทวทัตบอกว่ายาเลยพวกท่านอย่าพูดอย่างนั้นพราะพุทธเจ้านี่ใจของพระองค์เน่ยเหมือนกับแผ่นดินไม่มีศัตรูไม่มีคนนั้นรักคนนี้ชังจิตของพระพุทธเจ้าเสมอหมดทั้งหมดเป็นธรรมทั้งหมดข้าพเจ้าสํานึกได้แล้วเห็นโทษแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นคนผิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็อ่อนวอนพระสงค์เหล่านั้นพระสงค์นั้นก็เลยเอา หามก็หามอะหามไปใส่ตะแคร่หามเหมือนกันนะถามเทวทัตถามมาเรื่อยๆพระอนนท์ก็รับทราบแบบพระเทวทัตมาถึงที่ไหนพระอนนท์ก็กลาวทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคล่าพระอนนท์มาถึงที่นู่นแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถึงจะมาก็ไม่เห็นหน้าแตถาโคตเพราะเขาประกาศแล้วแต่ก็หามเข้ามาหามเข้ามาเขาม า, เขามาใกล้เลยพระเจ้าขา่าเลยถึงกรุงสวัสดีแล้วท่า <c> น <oughs> ผู้ท้เจ้าเอ้ยถึงจะมาใกล้ก็ไม่เห็นหน้าตาคตรพร่เนยมาถึงหน้าวัดแล้วพระเจ้าข้าท่านเออถึงหน้าวัดก็ไม่เห็น่พระเนยผลว่าพระเนยพอถึงหน้าวัดหน้าวัดมีสระบกกรณีอยู่สาหนึ่งเสาใหญ่พอมาถึงที่นั่นแล้วผ้าสูงที่หามมาก็เหนื่อยเนี่ยเมื่อกันเถะเหนื่อตกเหงื่อแตกก่อนที่จะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าก็ควรจะอาบน้ําชำระกายซะก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะก็เลยวางเตียงพระเถวทัตถุ ไว้ในขอบสักจากนั้นพระสงฆ์ที่หามกัลงไปอาบชำระล้างร่างกายพระเทวทัตนั่งอยู่บนเตียงพอนั่งขึ้นมาเลยงวงเงียลุกขึ้นมานั่งเลยพอนั่งขึ้นมาก็เลยย่อนขาลงไปในดินพอย่อนขาลงไปในดินแผ่นดินก็แยกเลยว่างั้นถิแต่เนี้พอแยกลงไปดูดลงไปแลว้วงั้นเถิดดินดูดว่างั้นเถะแผ่นดินสูบว่างั้นเถิลงไปถึงหัวเขา่าถึงเอวถึง จังเชื้อแต่ศีษะกระเทวทัตุก็บอกโอ้ยข้าพรเจ้าขอกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธเจ้าขอพระพุทธองค์จงอโหสิให้ข้าพรเจ้าที่ได้กระทำมาทั้งในอดีตถึงปัจจุบันข้าพรเจ้าไม่มีสิ่งที่จะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนอกจากกระดูกของข้าพรเจ้ากระดูกข้างของข้าพรเจ้าเนี่ยขอกราบคารวะพระพุทธเจ้าขอพุทธองค์จงอโหสิให้ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถินแปลว่าให้พระพุทธเจ้า อโหสิให้ครั้งสุดท้ายว่างั้นเถอะเนี่ยจากนั้นแผ่นดินก็แยกสุกปุ๊บลงไปเลยตกอเวจีมหานรกเดี๋ยวนี้ไฟยังไหม้อยู่ด้เนี่ยอันนี้เป็นว่าพระเทวทัตเห็นโทษครั้งสุดท้ายเห็นคุณงามความดีพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายเอ่ออย่างดีที่พระพุทธองค์บวชให้พระเทวทัตในครั้งแรกนะกัเนี่ยก็รู้อยู่แล้วพระองค์รู้อยู่แล้วว่าพระเทวทัตจะเป็นผู้เบียดเบียนพระองค์ทำไมพระองค์จึงบวชให้ก็เพราะว่า เทวทัตจะเห็นโทษในครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้เกิดอีกเมื่อพ้นจากกรรมชั่วของท่านแล้วท่านจะได้เกิดอีกจากนั้นท่านจะได้เป็นพระประเจกผู้เทวเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่ถ้าหากว่าพระเทวทัตเนี่ยไม่เห็นโทษไม่ได้บวชไม่ได้เห็นโทษไม่รู้จักคุณงามความดีเเลยพระเทวทัตาตายไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดอีกว่างั้นเถิด น, <H> öh. นรกบอกไม่จะเผาอยู่อย่างนั้นเพราะไม่ได้เลือกถึงคุณงามความดีพองผูทธเจ้า พุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากเทวทัตก็เลยเห็นโทษในตัวเองก็กกาบคละวะขอเอาไอ้พุทโธโอ้โหสิให้นี่แหละจากนั้นพระเจ้าซาตูก็กลัวตายแล้วท่เนี่กลัวบาปโอ้โ ต, โ ต, โตโัตัเทวทัตคือแผ่นดินสูบลูกพี่ใหญ่เอายังไงค่าเนึ่ยั้นก็ฆ่าพ่อเหมือนกันก็เป็นลูกศิษย์ของเทวทัตอีกอืมแปลวันกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วงั้นเถอะคิดเวลาไหนก็คล้องใจเวลานั้นจนถึงวันหนึ่ง เป็นวันเดือนหายเดือนสิบสองเพนไปชุมพวกอํมมาตราชเสวกทั้งหลายวันนั้นเถอะบอกว่า เ, เดือนหายอย่างนี้เราจะไปที่ไหนดีหมอชิวโ ก, โกมาลพัฒก็เลยบอกว่าไปกราบพระพุทธเจ้าดีคนอื่นก็เสนอไปทางอื่นตามที่ต้องการบางคนก็เสนอไปเที่ยวสนุกสนานเต้นราก็ดีพระ อ, องค์อยู่ในวังในเวียงก็ง่วมเงาเฉยๆดิต่างคนก็ต่างเสนอของใครของเรา แต่หมอชีวกเป็นพระโสดาบันเลยชีวกโกมารพัฒเนี่ยอควรจะไปกราบพระพุทธเจ้าโอ้ไปได้พระเจ้าข่าวเออปก็ไปคืออยากไปอยู่แล้วในใจเหมงั้นเถิดแต่ไม่กล้าเพราะตัวเองตั้งเป็นศัตรูพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเ อ, อ่อก็รู้ ร, รกันอยู่แล้วปล่อยช่างนาลาคิเลียงบงังปล่อยนายกำมังธนูบงังอะไรต่อบงังเขาก็รู้กันอยู่พระเจ้าอาชาศัตรูก็ไม่กล้าไปแต่ผลที่สุดพระ อ, องค์ก็พาบริษั ท, บ ร, ษทบริวารไปแหลทะท่านนี่ยหกทหาร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 กับพระพุทธเจ้านครับว่าวท่านก็รู้นะพระเจ้าอ้ศาสตร์จูจะเสด็จมานั่งหมอชีวกก็เลยเข้าไปกราบพระโต้งก็ บ, บอกเออเข้ามาได้ให้เข้ามาได้เต็นี้หมอชีวกก็รีบมาบอกขอให้พระองค์จอดทับไปนี่ก่อนขอให้พระองค์เสด็จเข้าไปพร้อมกับทหารองคล์ละครผู้ที่จาเป็นเต็นกรลงจากหลังช่างก็เดินไปเข้าไปในวัดพระพุทธเจ้าศาสตร์ูเป็นผู้มีศัตรูมากเลย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 ถ้าว่าพระพุทธเจ้ายุดอยู่ไม่พูดเลยนะให้พระเจ้าซาสตูพูดก่อนพระเจ้าซาสตูจะไม่พูดเด็ดขาดว่างั้นไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดว่างั้นเถอดเนี่ยบอกว่าพระเจ้าซาตตูคงจะหัวใจแตกว่างั้นเออตอนนี้พอไปกราบแล้วพุทธองค์ก็บอกเออมหาโพพิทไปยังไงมายังไงทําไมมาค่ําคืนมีอะไรไหมพอพุทธองค์พูดเท่านั้นเองพระเจ้าซาตตูโอ้ยดีอกดีใจดีพระไทยอย่างมากว่างั้นเถะจากนั้นพุทธองค์ก็ เปิดโอกาสให้ถามถามปัญหาพระเจ้าชาตูก็เลยถามปัญหาเรื่องสามมายาผลเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละเรื่องทําดีได้ดีดทําช่วยได้ช่วยเรื่องบาปเรื่องบุญอะไรพุทธองค์เทศให้ฟังพอเทศให้ฟังท่านก็ปีติอินดีเคารพเลื่อมใสประกาศตนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดอืมแปลว่าผู้ร้ายกลับใจเหมือนกันเถอะช่วสุดๆแล้วก็กลับใจเหมือนันเถอะจากนั้นก็การาบพระธองค์ประกลับ พรนร์ถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าซาสตศัตรูเนี่ยได้ฟังเทศวันนี้เน่ยเทศนาวาการวันนี้ไพเราะเพาะพิ้งมากพระเจ้าซาสตศัตรูเนี่ยได้มักได้ผลขั้นใดหนอะพระเจ้าขา่าวพระองค์บอกว่าไม่ได้เพียงแต่ถึงขั้นเขาลบเลื่อมใสในพระไตรสรนคมในพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงฆ์เท่าทนั้นยังไม่ได้มักได้ผลเพราะว่าเขาฆ่าพออนั น, นตฤกษ์กรรมตัวนี้เขาว่า คุณงามความดีของเขาในใจหมดแล้วหมดเพราะงั้นถึงหมดมรรคหมดผลเพาะงั้นนะคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ะหมดมรรคผลเพางั้นในจิตใจแต่ถ้าว่าเขาไม่ได้ฆ่าพ่อนะวันนี้เขาฟังเทศเขาจะได้สําเร็จพระสูดาบันพุทธองค์ว่างนะนะอันนี้เขาฆ่าพ่อเสร็จแล้วหมดมรรคผลนิพพานในใจเต่าแล้วอะาก็น่าเสียดายจากนั้นก็ไม่นานพุทธองค์ก็ ปริญิพานพอปริญญิพานกับพระมาหากัสถะเทระก็จะมีการประชุมสงฆ์สามเดือนจำพรรษาสามเดือนทำสังขารจนาก็เลยหาที่ไหนเมื่อใดก็เข้าไปหาพระเจ้าอชาสตรูเนี่ยนะเป็นาศาสนูปถมัมภกให้พระเจ้าประดินเป็นผู้ดูแลอุปถัมภ์ในการดูแลทุกอย่างเรื่องอาหารการบริโภคการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ที่มาประชุมพระเจ้าชาัตรูก็ยินดีรับอย่างยิ่งเหลานั้นทัศ จัดสถานที่ที่ถ้าสัตบรรณคกภูมิหาดูแลพระสงฆ์อย่างดีพระสงฆ์ห้าร้อองค์ไปล้วนเต็มเป็นพระทหารมาประชุมกันพระเจ้าอาซาร์สตูดูแลทั้งอาหารทั้งน้ําปานะทั้งอะไรทุกอย่างว่ากันเถอะนี่แหละในที่ทําให้พระเจ้าอาาร์สตูเต็มตื่นขึ้นมาส่วนหนึ่งคือสร้างบุญกุศลอย่างอย่างมากพราะงั้นเถอะในที่ได้ให้พระสงฆ์ได้เป็นาศนาสนาปฐมภพ ให้พระสงฆ์มาประชุมสังฆายนายคําพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกแล้วก็พระสงฆ์ที่มาเนี่ยก็นล้วนแล้วเป็นพาาระรหันธ์ทั้งหมดเออทั้งห้าร้อยองค์เนี่ยถึงขนาดนั้นไงเถิพอตายไปแล้วยังตกอเวจียอยู่เด้เขาพอ่อขาแม่ไม่ใช่ธรรมดาตัดมักตัดผลนะว่างั้นเถอะอืมเข้าสู่เวจีมหานรกนวนละจะพ้นขึ้นมาก็พอแรงนอแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้วว่างั้นเถิด นี่ว่าอนันตริยกรรมห้าบาปหนักในพระพุทธศาสนาห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานถ้าเป็นคนก็ไม่ให้บวชในพุทธศาสนาอถึงจะบวชแล้วก็ไม่เป็นพระพอตายจากคุณงามความดีแล้วทัานั้นนี่ยแหละบาปบุญคุณโทษมันมีจริงนะมีแต่คนตาบอดเท่านั้นไม่เห็นหนามไม่เห็นอันตรายเห็นมีดอยู่ต่อหน้ากรเตะมันนั้นเพราะมันตาบอดแต่คนตาดีแล้วจะทําอย่างนั้นไม่ได้ ต้องระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาครูประชาชนมีผู้สูงมีผู้ตำ่ำมีผู้มีพระคุณรู้จักผู้น้อยรู้จักผู้ใหญ่รู้จักผู้มีพระคุณสาหรับตนเนะมาตาปิตุอุปทานะผู้ให้กําเนิดเกิดมากขาคือพ่อแม่วันนั้นผู้ใดหลบหลูบุญคุณพ่อแมนะ่หาความเจริญไม่ได้อย่างพระเจ้าอาชาตตรูตกนรกหมกไหมกระทั่งทุกวันนี่นี่แหละฆ่าพ่อเนี่ยนะอยากจะเป็นใหญ่ เออรับพ่อหนามาเนี่ย